4. คิลานาสูตรว่าด้วยอุบาสกป่วยหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้านิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้ว ล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จจาริกไปเจ้าสกยะพระนามว่ามหานามะได้ทรงทราบข่าวอย่างนั้นเหมือนกันลำดับนั้นเท้าเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถว า, ายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 ไม่ได้รับเรื่องนี้มาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักมหาบอบพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก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 มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ม, มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิมหาบ่อพิษอุบาสกผู้มีปัญญารันปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ด้วยทมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แล้วพึงถามว่าท่านยังมีความห่วงใ ย, ยมารดาบิดาอยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใ ย, ยมารดาบิดาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านผู้นี้รักทุกผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใ ย, ยมารดา บิดาก็จักตายเหมือนกันถึงแม้ท่านจะไม่ทำความห่วงใยมารดาบิดาก็จักตายเหมือนกันเอาเถิดขอท่านจงละความห่วงใยมารดาบิดาของท่านเสียถ้าเขากราวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาว่าท่านยังมีความห่วงใยบุตร และภริยาอยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นพึงกล่าวกับเขาว่าท่านผู้นี้ระทุกผู้มีความตายเป็นธรรมดาถึงแม้ท่านจะทำความห่วงใยบุตรและภริยาก็จะตายเหมือนกันถึงแม้ท่านจะไม่ทำความห่วงใยบุตรและภริยาก็จะตายเหมือนกัน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 ขอท่านจงละความห่วงใยบุตรและภริยาของท่านเสียถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมละความห่วงใยบุตรและภริยาของผมแล้วอุบาสกนั้นพึงถามเขาว่าท่านยังมีความห่วงใยกรรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือถ้าเขาตอบว่าผมยังมีความห่วงใยกรมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่อุบาสกนั้น พึงกล่าวว่าท่านการอันเป็นทิพยังดีกว่าและประนีชกว่าการอันเป็นของมนุษย์เอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากการอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจะตุมหาราชเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากการอันเป็นของมนุษย์แล้ว ผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจัตุมหาราชแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านหมู่เทพชั้นดาวดึงยังดีกว่าและประนีดกว่าหมู่เทพชั้นจัตุมหาราชเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจัตุมหาราชแล้วน้อมจิตไปในหมูเทพชั้นดาวดึงเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้วผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาววดึงแล้วอุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าหมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าและประณีกว่าหมู่เทพชั้นดาวดึงหมู่เทพชั้นดุสิตหมู่เทพชั้นนิมมานนรดีหมู่เทพชั้นปรินิพมิตวสวัสดี พรหมโลกยังดีกว่าและประณีดกว่าหมู่เทพชั้นปรนิ ม, มิตวัสวัสดีเอาเถิดขอท่านจงพราจออกจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิ ม, มิตวัสวัสดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถิดถ้าเขาก่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมิตวัสวัสดีแล้วผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่าท่านแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนับเนื่องด้วยสักกายะเอาเถิดขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วนำจิตเข้าไปในสักกายะนิโรธถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วผมนำจิตเข้าไปสักกายะนิโรธอยู่แล้ว มหาบอบพิตอุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับพิษุผู้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะอาตมาภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างอะไรกันเลยคือหลุดพ้นด้วยวิมุตเหมือนกันคิลานาสูตรที่สี่จบ